หลายปีมานี้ที่ประเทศฝรั่งเขาก็ลนลงให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กไปเล่นขี้ดินบ้างนะพาเด็กไปคลุกฝุ่นบ้างจริงธรรมชาติของเด็กนี่เขาก็เขาก็ชอบเล่นดินเล่นฝุ่นอยู่แล้วนะแต่ว่าระยะหลังพ่อแม่กลัว ว่าเด็กจะติดเชื้อโรคเพราะว่าในดินมันก็มีเชื้อโรคนะคนสมัยนี้กลัวเชื้อโรคมากนะเรียกว่าอนามัยจัดงั้นใครมีลูกก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเล่นดินเล่นน้ำคลองกลัวเชื้อโรคมันจะเข้าตัวแต่เดี๋ยวนี้เขาพบว่าเชื้อโรคนี่ เจอบังก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายยิ่งถ้าเจอตั้งแต่เด็กนี่มันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงตอนโตเลยอันตอนนี้ก็เริ่มนะรณรงค์ให้เด็กเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเวลา <c oughs> พาลูกหลานไปเที่ยวตามสวนสาธารณะก็ปล่อยให้เด็กเขา เล่นดินคลุกฝุ่นนะหรือว่าเด็กอยู่ในบ้านเด็กเขาอยากจะแตะโน่นแตะนี่ก็ให้เขาแตะนะอันนี้มาถึงเด็กทารกนะเพราะธรรมชาติเด็กทารกเาต้องอยากจะแตะแตะเสร็จบางทีก็คว้าใส่ปากก็มนะีใช้ปากเนี่ยสำรวจนะสิ่งต่างๆกระดาษบ้างผ้าห่มบ้างช้อนบ้างนะ พ่อแม่รุ่นใหม่ที่อนามัยจัดก็ไม่อยากให้เด็กๆทำอย่างนั้นนะกลัวเชื้อโรคนะแต่ว่าเขาพบว่าทำอย่างนั้นดีเมื่อจะเป็นเด็กทารกนะหรือว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆ3ามสี่ห้าขวบนี่ก็เลยเ้าถึงกับบอกว่าให้ต้องสร้างนิสัยให้เด็กเนี่ยนะไปคลุกฝุ่นบ้างไปกล้าที่จะยอมเปรอะเปื้อนบ้างนะ พ่อแม่ก็กังทาอะไรมากนะก็เวลาพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวสวนสาธารณะเที่ยวทะเลก็ให้เด็กเขาสนุกสนานไปตามเรื่องของเขาเสร็จแล้วพอเลอิกก็อาจจะเอาเตรียมเอาน้ำนะเช็ดมือเช็ดปากเอาผ้าเช็ดปากแล้วก็วาไปแต่ก็ให้เด็กได้สัมผัสซะก่อนนะอันนี้รวมถึงว่าเวลาหมามันจะเลียนหน้าก็ให้มันเลียนะ ฝรั่งนี่เขาเลี้ยงหมายเยอะในบ้านถ้าหมาเนี่ยฉีดยาแล้วนะไม่ไม่เป็นโรคอะไรนี่ให้มันเลียเธอเพราะว่าไอ้เลียเนี่ยดีนะเลียตามเนื้อตามตัวหรือว่าแม้แต่ ม, มีหมายอยู่ใ ก, ใกล้ๆเนี่ยเขาว่ามันช่วยทำให้เด็กเนี่ยเป็นโรคหืดหอบหืดแล้วก็โรคแพ้ต่างๆน้อยลงคือน้ำลายของของหมาเนี่ยนะหรือว่า อะไรสักอย่างของมาเนี่ยมันรวมทั้งเชื้อที่อยู่ตามตัวมันก็มีผลดีกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าถ้ามีเชื้ออะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ลดปัญหาเจ็บป่วยเพราะหืดหอบหรือว่าโรคแพ้นอนแพ้นี้ได้สังเกตนะเดี๋ยวนี้เด็กแพ้โนอนแพ้นี้ประจํากรุงในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กก็ไปโรคมือเท้าปากเยอะต้องปิดโรงเรียนเพราะว่าเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันเลย อันนี้ก็เป็นโรคแพ้อย่างหนึ่งผู้ใหญ่ก็เือนกันน่แพ้เยอะโดยเพราะหอบผืดนพวกนี้อันนี้ก็เพราะไม่มีคุ้มกันตังแต่เด็กอันนี้เขาก็สอนว่าเนี่ยออให้หมามันจะลูบมันจะเลียหน้ามันจะเลียเนื้อตัวก็เ อ, อปให้เลียออแล้วเขาแนะนำใหออ้อย่าไปใช้ยาที่ กำจัดเชื้อนะมากเกินไปโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้กินยาปฏิชีวนะเยอะมากบางทีเป็นไวัดก็กินยาปฏิชีวนะท่านี้มันไม่เกี่ยวเลยนะหวัดนี่มันเกิดจากไวรัสยาปฏิชีวนะนี่เอาไว้ใช้กับรักษาพวกพวกแบคที ria นะไอ้พวกเห็ดพวกราเนี่ก็ยาปฏิชีวนะก็ ยังไม่ได้ดีเท่ากับพวกแบคทีเรียนะอณิวัตนี่มันไม่เกี่ยวกับแบคทีเรียนี่เพราะว่าพอกินยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็ไปฆ่าเชื้อทั้งเชื้อดีและเชื้อเลวนะไอ้เชื้อเเชื้อเชื้อเลวที่ป่วยก็ตายไอ้เชื้อดีที่ป่วยไอ้เชื้อดีที่อยู่ในร่างกายเราก็ตายไอ้เชื้อดีนี่มันก็อยู่ในกระเพาะเราก็เยอะนะพอกินยาปฏิชีวนะไปเชื้อดีก็ตายพอเชื้อดีตายนี่ก็ เป็นโรคนั้นโรกนี้นะเช่นหอบหืดโรคแพ้แม้แต่โรคอ้วนหรือว่าโรคเบาหวานเนี่ยเขาว่ามันก็เกี่ยวพันนะกับการที่กินยาปฏิชีวนะมากไปเพราะมันไปทําลายเชื้อดีในตัวเราเชื้อเชื้อดีนี่มันมีมากกว่าเชื้อเลวนะในร่างกายเราอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่าโอ้มันมีประโยชน์เยอะเลยนะ มันส่งผลต่อแม้กระทั่งการทํางานของสมองในร่างกายเรามีผลต่ออารมณ์ของเราด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะช่วยย่อยอาหารเขาก็เลยแนะนําว่านอกจากกินยาปฏิชีวนะให้น้อยลงหรือกินเท่าที่จําเป็นแล้วเนี่ยควรกินของหมักดองด้วยนะของหมักดองกินเข้าไปเถอะเพราะว่ามันเป็นเป็นอาหารไม่ใช่ของเราอย่างเดียวเป็นอาหารของพวกเชื้อในในท้องในกระเพาะ ในลาไส้ด้วยให้พวกเชื้อพวกนี้เนี่ยพอมันมีอาหารมันก็ติบโตมันก็ทำงานนะช่วยทำให้สุขภาพเราดีสมัยนี้เนี่ยเชื้อในกระเพาะมีน้อยนะก็เลยต้องเติมเข้าไปเรากินยา ก, นกินโยกเกิดกินยาคูเนี่ยนะกินบีทาเกนเนี่ยนะก็คือก็คือเติมเชื้อเข้าไปในกระเพาะของเราเพื่อให้มันทำงาน เชื้อบางตัวมันก็ทําหน้าที่ที่ร่างกายเราทําไม่ได้นะ mm hmm. เช่นพวกย่อยพวกไอแลคโตสพวกเนี้ยร่างกายเราไม่มีความสามารถนะแลคโตสที่มันก็มาจากนมไอ้กินเข้าไปแล้วนี่ถ้าไม่มีเชื้อพวกนี้ย่อยเนี้ย mm hmm. เพื่อเกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะและสารอาหารบางอย่างนี่ร่างกายเราผลิตไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะได้จากอาหารธรรมดาได้นะ mm hmm. ก็ได้จากแบคทีเรียนี่แหละ ที่มันทำงานตามปกติของมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการนะเติมเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายเราทางอาหารบ้างหรือว่าจากอาหารหมักดองหรือว่าพวกบีทาเกนพวกยากคูมั่งยาโยเกิร์ตบ้างอันนี้คนโบราณเขาลู้มานานแล้วนะเขาก็เลยกินพวกอาหารพวกนี้แหละนะเพื่อเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายเราเดี๋ยวนี้มันมีการความเจ็บป่วยบางอย่างนะเจ็บป่วยเพราะขาดเชื้อ ก็แก้ด้วยการเติมเชื้อเข้าไปทางทวารหนักนะเติมเชื้อไปทางทวารหนักเพื่อมันเข้าไปเข้าไปในลำไส้ใหญ่หายนะเติมเชื้อเข้าไปเนี่ยคล้ายๆเป็นดีท็อกนะแต่ว่าแทนที่จะเติมน้ำเข้าไปอย่างเดียวก็ผสมพวกเชื้อเข้าไปด้วยพอเชื้อมันเข้าไปในทวารมันก็ไปในลำไส้ใหญ่ของเรามันก็ทํางานก็ช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้น อันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กลัวกลัวเชื้อโรคนะอนามัยจัดเดี๋ยวนี้มันมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาโน่นทานี่เพื่อกําจัดหรือฆ่าเชื้อโรคตามผิวหนังตามมือตามเท้าตามลำตัวหรือว่ากําจัดเชื้อตามโต๊ะตามเก้าอี้ใช้พอประมาณก็ดีนะแต่ใช้มากไปนี่ผลเสียเกิดขึ้นกับร่างกายเราแม้แต่ใช้กับลูกเราเนี่ยนะเขาก็บอกให้ระวัง ้พวกยาน้ำยาที่ทำความสะอาดมือเนี่ยบางทีเด็กเขาไปเล่นเล่นคลุกฝุ่นไม่ทันลายเลยก็ล้างน้ำล้างมือเขาละแล้วก็เอาน้ายาเช็ดมือไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้เชื้อที่มันควรจะเข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ถูกทำลายถูกฆ่าไปเสียทั้งเงินด้วยนะเพื่อซื้อยาหรือว่าครีมฆ่าเชื้อมาแล้วก็ แถมยังจะเป็นโทษกับร่างกายเราในระยะยาวด้วยอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงน ะ, ะที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเรานี่อนามัยจัดมานานแล้วจริงๆก่อนที่คนเราจะอนามัยจัดนี่นะสมัยก่อนทักงสามี่รปีนี่มันตรงข้ามนะมันมีความเชื่อในหมู่คนฝรั่งว่าอาบน้ํานี่ไม่ดีอาบน้ํานี่ทำให้เป็นโร่ง่าย เพราะว่าจะทำให้ฝุ่นที่มันอุดตามผิวหนังมันหลุดไปพอหลุดไปแล้วเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าทางรูขุมขนนะเช่นพวกกาฬโรคพวกเนี้ยซึ่งฝรั่งกลัวมากตายกันเป็นเบือเลยหนึ่งในสามของโทวีเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าหยาบน้ำนะนะกษัตริย์อย่างที่มีชื่ออย่างหลุยส์ที่สิบสี่หรือว่าอลิซาเบธของอังกฤษนี่ ทั้งชีวิตนี้อาบน้าคงไม่เกินสิบครั้ง น, นะเรียกว่าใส่เสื้อนี่ไม่ต้องอาบนา้าอ่ะแค่เอาผ้าเช็ดนะเอาผ้าเช็ดตัวไม่ใช่ชุบน้ำเนี่ยนะแล้วถ้ามีกลิ่นเหม็นทํานเปนไงก็ใช้น้ำหอมนะน้ำหอมเนี่ยมันมาจากฝรั่งเพราะว่าเขามีขั้นนอยู่ไม่อาบน้ากันมันก็เลยส่งกลิ่นส่งกลิ่นก็ต้องดับกลิ่นด้วยน้ำหอมนี่แหลนะ อันนี้ลมก็สวิงกลับนะพอจากเดิมที่สกปรกมากก็กลายเป็นสะอาดมากสะอาดจนเกินไปสะอาดมากก็ไม่ดีนะความสะอาดนี่ก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าไปยึดติดถือมากมันมากนี่ก็เป็นโทษ น, นะเหมือนญ้าคายาคาจับไว้ไม่ดีก็บาดนิ้วคราวนี้เขาก็เลยว่าให้ให้สะอาดบ้างแต่อย่าสะอาดมากเกินไปนะให้เจอฝุ่นบ้างเจอเชื้อโรคบ้างเชื้อโลมมันเป็นเปียนต่อกาย ความทุกข์เหมือนกันนะความทุกข์นี่เราเจอบ้างก็ดีมีลูกมีหลานนี่อย่าให้เด็กสบายมากเกินไปให้เด็กเขาเจอความยากลําบากบ้างไอ้ความยากลําบากนี่แหละมันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันในใจเด็กให้เด็กเนี่ยนะเป็นทุกข์น้อยลงเจอความยากลําบากแล้วเด็กก็ไม่ทุกข์เด็กก็มีความสุขอยู่ได้ให้เด็กเจอความผิดหวังบ้างเด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันความผิดหวังเวลาผิดหวังเรื่องแฟน ก็จะได้ไม่เป็นบ้าเป็นหลังไม่ไม่คลุ้มคลั่งนะเด็กหลายคนนี่ชีวิตนี่มันลาบลื่นตลอดประสบความสาเร็จตลอดอยากได้อะไรก็ได้สมหวังทั้งของเล่นนะแถมเรียนเก่งด้วยนี่ไม่เคยรู้จักความผิดหวังพอแฟนทิ้งหรือพ่อแม่กีดกันไม่ให้ไม่ให้คบกับผู้หญิงคบกับแฟนหรือว่ามีความอกหักเนี่ย คุ้มครั่งนะบางทีฆ่าตัวตายก็มีหรือไม่ก็ไปฆ่าคนอื่นตายไปฆ่าแฟนบางไปฆ่าพ่อแม่ของผู้หญิงบางที่กิกิดกั้นความรักเนะี่ยอันนี้พ่อไม่มีพวงคุ้มกันความผิดหวังนะฉั น, นมีบ้างก็ดีนะเจอตั้งแต่เด็กเจอเลยอย่าให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการโดยเพราะในเรื่องที่ไม่สมควรหรือเรื่องที่มันเร็วเกินไปนะความผิดหวังมีประโยชน์สําหรับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน เ, เราก็เตรียมเราพรอ